หลั่งไหลามาให้ผลในชาติเดียวท่านลองคิดดูเถอะว่ า, าจะคนน า, นาได้อย่างไรอุปมาเหมือนน้ำซึ่งหลั่งจากยอดเขาและถูกกักไว้ด้วยทำนบอันหนาแ น, น่นจนเต็มเปี่ยมแล้วและบังเอิญทำนบนั้นพงงังลงน้ำนั้นจะไหลหลากท่วมท้นเพียงใดดูก่อนผู้เชื้อสายอารยัน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 เมื่อรู้สึกว่าชีวิตของตัวอยู่ในระหว่างอันตรายเหมือนศิลาซึ่งแหวนอยู่ด้วยเส้นได้เส้น น, น้อยจึงขอร้องสามีให้ไปเฝ้าพระตถาคตเจ้าและกราบพระมงค ล, ลบาดแล้วให้ถูลว่าข้าแต่พระมหาสมณะบัดนี้นางสุปวาสาโกริยทิดามีคันมาเจ็ดปีและปวดคันหยุดเจ็ดวันแล้วนางได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัส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 พวกเราเนี่ยถูกพระสมณโคโดมเบียดเบียนอยู่ทำให้ด้อยทั้งลาบสการะและเกียรติคุณเธอไม่เจ็บร้อนแทนเราบ้างเลยหรือไงข้าแต่พระกุณเจ้าโบราณกล่าวเอาไว้ว่าเมื่อยามเดือดร้อนน่ะย่อมเห็นใจมิตรและบริวารบัดนี้พระกุณเจ้าทั้งหลายเดือดร้อนอยู่ข้าพเจ้าเนี่เป็นทั้งมิตรและบริวารฉน่นไหนจะเฉยอยู่ได้ละ่ะแต่ข้าพเจ้าเนี่ยเป็นผู้หญิง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 จะคลอดพยานปากเอกจริงๆคือเด็กที่จะคลอดออกมานะหาใช่นางจิงจาวิกาไม่หรอกและแม้เด็กคลอดแล้วนี่ถ้าไม่มีเขาหน้าแห่งกระตถาคตเจ้าเลยฉันก็ยังเชื่อไม่สนิทฉันเคยเห็นแม่ปริภาจิกาคนนี้นะ่ะเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ตามวัดของพวกตีระธินิโครนบ่อยไปนางอาจจะตั้งคันจับใครสักคนหนึ่งก็ได้ในจานวนพวกเีระินิครนเหล่านั้นนะ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 ยาปาอุจาระขึ้นฟ้าก็พระตถาคตเจ้าคือตรัสไว้เสมอไม่ใช่รู้ว่าคนที่เกิดมาแล้วทุกคนมีขวานติดปากมาด้วยสําหรับให้คนผานผู้ชอบพูดชั่วๆไว้ฟาดฟันเชื่อเฉอนตัวเองอันหนึ่งผู้ใดติเตียนคนที่ควรสันเสริญหรือสันเสริญคนที่ควรติเตียนผู้นั้นชื่อว่าแสหาโทษใส่ตัวพระปา